ความอยากทั้งสามส่วนนี้น้อยลงไปเบาบางลงไปได้ก็อยู่ที่อยู่ท um ี่การเจริญมากนั่นเองการสร้างบุญสร้างกุศลการปฏิบัติธรรมเพราะจะทำให้เป็นตัวที่จะไปลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเช่นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมคันนี้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 คือร่างกายติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับความสุขติดอยู่กับความทุกข์ความสุขก็เป็นการมติหาะความทุกข์ก็เป็นวิปวะฐานะพอเกิดความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไป fiction, ยก็เป็นวิปวะัาหาถ้าเกิดความสุขก็เกิดเป็นภาวะัาหาก็ได้การมตัญหาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสุขมาจากทางไหน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 ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดอยากจะมีมากยิ่งขึ้นอยากจะได้มากยิ่งขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นอยากจะอยู่นานยิ่งขึ้นอยากจะรวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นความคิดของของที่ตามมาจากมิจฉาทิฏฐิ้วต่อจะไปทำเวรทากรรมต่อไปทาผิดศีลผิดธารมพูเมฆพูดจากโกหกหลอกลวงทำกิจกรรมอาชีพที่ไม่ถูกต้อง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 อยู่ตรงนี้เกิดขึ้นที่การฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำาอกไปพิจารณาต่อถ้าพิจารณาเดี๋ยวนี้ทำใจได้เดี๋ยวนี้ก็บรรลุได้เดี๋ยวนี้ <evet. S 1> ถ้าลองตัดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปได้ <evet. S 1> คือไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ก็บรรลุได้ตรงนี้เลยยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมเสียทุกอย่างมีอะไรจะเสียก็เสียไปเสียลูกก็เสียไปเสียสามีก็เสียไปเสียรยาก็เสียไป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 ยังต้องทำหมากินยังต้องหายใจยังต้องอาบน้ำต้องกินข้าวก็ทําไปไม่ได้บอกไม่ให้ทำทุกอย่างใช่ไหไม่ให้ทำในเรื่องที่มันข้างความทุกข์ใกับเราก็คืออยากไปอยากอยากไปอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากอะไรท่างๆนี่คือความหมายของการให้เป็นอุเบกขาเมื่อกี้เทศมาต้องตลอดล้วก็พูดแต่เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับให้เป็นอุเบกขาทางใจให้ใจอยู่ระหว่างความความ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 เดือนที่แล้วตอนที่ว่าปีที่แล้วลู่ไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่แล้มันมีความสึกว่ามันไม่มีแรงเลยนะะทอะไรปกติเคยทาอะไรได้อแค่วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทาใจอย่างที่ที่อาจารย์ว่าทใจไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเคยทาอะไรได้ออกไปไหนมาไหนไได้อย่างเงี้ยนอนรือแต่าล็เอาไหญ ได้ถาสอนมาต้องสามตีแล้วไม่ไม่เอาไปฝึกแล้วไม่เอาไปปฏิบัติเลยเอี่่อยู่บ้านนั่งสิหันนั่งสมาธิเยอะๆเข้าคนส่วนใหญ่คิดว่าไว้เวลาใกล้าตายแล้วค่อยมาทำก็ทำไม่ได้เช่นคนบอกว่า เ, าเวลาตายแล้วคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดแต่พุทโธพุทโธมันคิดได้ที่ไหน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 คนงานก่อสร้างวันทีก็ชอบเวลาฝนตกก็ไม่ต้องทำงานๆๆแต่คนที่อยากจะออกไปเที่ยวนี่ไม่ชอบอ่ะแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวโดนฝนหน่อยแล้วหน้าตาเปรียกปอนไงต้องไปแต่งหน้าใหม่เสี ย, วยเวลาก็จะไม่ชอบขึ้นก็จะทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคือการพิจารณา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 ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆเนะ่ต้องอย่าอย่าประมาณเนะี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้และป่วยขึ้นมาเมาื่อไรเมื่อมันถ้าเราสึกตั้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพอถึงเวลาเราก็สบายไม่วุ่นวายมรส ก, การค่ะท่านอาจารย์เปที่ที่บ้านมโยมนะคะทีนำต่อหัวเสืออยู่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 เพื่อทำลายและเพื่อเพื่อรักษาเพื่อเพื่อดันกระดองตัวสนิทก็คือแสงถ้าเรามีเจตนาอยากจะให้ไอ้ลังต่อเนี่ยมันถูกทำลายไปแต่เราไม่กล้าทำเองเราก็ออกอุาบายพูดแบบนี้ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็บาป <c oughs> อยู่อยู่ที่เจตนาเป็นหลักว่าบางทีเกิดขึ้นจะความกลัวสาริษัท ก็นั่นะก็วิภาวะตัณหาวภาวะตัณหาไม่อยากให้มัน่ไม่อยากให้มันการเวาจะอุบายอะไรก็ะนอาทีนี้บอาจารย์ท่านมีอุติทิวัตเนี่ก็มีบวกขึ้นกันส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ทาอะไรใช่ครับท่านก็คงอย่างนั้นถ้าอยางนอกจากมีลูกสิธิ์เขาเขาทนดูไม่ได้บางทีเขาก็มาช่วยเขาก็มาช่วยกาจัดท่าก็มีเพราะว่าธนา ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความทุกข์งใจงนเลเกิดขึ้นจากกา ร, ราาเวลาทำระเวลานี่ร่างกายันอ ม, นมนนนันม้นมันปนเปกันในระหว่งางระหว่างตัวร่างกายกับจิตใจปนกันอยู่ตรงนี้นแยกไม่ค่อยออกแต่สนใจเรอ จ, จับว่ามันเป็นเป็นตัวร่างกายแต่มันไม่ชัดเจนว่าจิตใจมันลบเงินยังไงมันไม่ชัเชเดเจนเพราะว่าปัญญาเรายัางไ ม, ไม่ไม่ทัน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 แต่ผลเสียก็คือเขาก็ด่าเรามากขึ้นว่าเรามากขึ้นแล้วดีไม่ดีเขาก็ทุบตีเรามันก็แต่ถ้าเราใช้ปีติพอเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็หบอกตัวเอง ว, ว่าเอยกำลังกําลังโกรธแล้วนะกําลังไม่พอใจแนะ้วแล้วถ้าเราเคอยฝึกสอนใจเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันจะนำพาไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอีกถ้ารู้แค่นี้แล้วก็ เราก็เราก็ ง, งับความอยากนี้ได้ถ้าเราเจริญสติอยู่เรื่อยๆปำเพ็นภาวนาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นอาการต่างๆภายในใจเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาเวลาโรค ก, ก็เห็นเวลาโกรธก็เห็นแล้วถ้าเราเจริญปัญญาพิจารณาถึงโทษถึงคุณของการกระทาที่จะตามมาต่อไป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 ถ้าเราไม่ใช้เงินมากจะได้แบ่งเวลาครึ่งหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้จะอาจจะทำน้อยอันนี้ไม่เขี้ยวเข็นใครเพพูดให้ฟัง เ, เราต้องเป็นผู้ที่เขี้ยวเข็นตัวเราเองเพราะว่าใจของใครนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบังคับกันไม่ได้นะ ใจของเรานี่ยยังแสนจะลําบากเลยมันทำให้เหมือนนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี่เหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาะแต่เวลาไปเที่ยวนี้เหมือนเข็นเข็นโคกลงภูเขามันกึ้งมันลงไปเองเองแต่ปล่อยมือปั๊บมันก็ไหลลงดังนั้นถ้าเราเรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิของเรายากนี้เราก็ต้องพยายามเที่ยวเข็นให้มากๆ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 แต่ก็มีสิทธิ์ทมามาี่จะทำอย่างนั้ได้แต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไ่ถ้าเราทำาอย่างนั้นก็ไถ้าเําม่นำอย่าันก็ยม่ถ้าทําน้อย้องให้ากนนี้ถ้าทํามามาแล้วก็ไม่ต้งทํามกก็ได้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 เขากลั ว, ลวเขาเลยรู้สึก่ทุกคืนเขาาไม่นั่งก็ไม่ได้ก็บอกว่าถึงเวลาเขาก็ต้องนั่งก่อนจะนอนออมันก็แบบนั่ตัวนะคะใจเขาคงอยากจะนั่งก็ให้เขาทาไปเรื่อยๆต่อไปกขาคงจะหายกลัวเองเพราะว่าเมื่อนั่งไปเรื่อยๆมันก็เหมืนมีอะไรเกิดขึ้นที่เขานั่งแล้วก็บอกว่าต้องเงียบนะคะ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 เป็นฐานของปัญญาก็เอาสมาธิมาเป็นเครื่องมือของกินเลยไปทำมากินเป็นหมอดูก็อาจจะร่ำรวยมีชื่อเสียงหมอดูบางคนนี่เขาแม่นนะมีชื่อเสียงมีเงนินมีทองแต่ก็ยังมีโรคกล่หลงอยู่เต็มหัวใจ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 ไว้ของกันนะถอาริวะฮาปุราปริปุเรติสักวังเอวเมวะอิโตชินังเตตา낭อุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา